สามจุดหนึ่งเก้าวิชานอนหลับวงเล็บเปิดสิบหกพฤศจิกายนสองพันห้ารอยห้าสิบในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสิบสองวงเล็บปิดเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้เราผิดปกติจิตทุกคนคิดทั้งวันจิตไม่เคยหยุดคิดเลยฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกให้มันผิดปกติ เพียงแต่คิดแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นเราเห็นจิตมันคิดจะนอนแล้วมันคิดไม่เลิกรำคาญ ร, รู้ว่ารำคาญอยากจะเลิกคิดรู้ว่าอยากทำให้ใจสบาย หาอะไรอุ่นๆกินสักแก้วหนึ่งหาหนังสือที่สบายใจอ่านหาอารมณ์ที่สบายพอสบายแล้วจิตมันจะสงบหลับง่ายหรือมีอีกวิธีหนึ่งหลวงพ่อเคยใช้เมื่อก่อนนอนไม่หลับงุดงิดงวนงิ น, ง น, ง น, ง น, นะเอาใหม่เปลี่ยนความรู้สึกใหม่ว่าโอ้โชคดีจังเลยวันนี้มันไม่หลับเราจะภาวนาทั้งคืนเลยห้านาทีก็หลับ เพราะอะไรเพราะมีความสุขเดี๋ยววันหลังจะเปิดคอร์สวิชา น, นอนหลับเก็บสตางนะคอร์สนี้พวกนอนไม่หลับนี่พวกมีสตางคนจนๆนะทำงานหนะักถึงเวลานอนหลับปุ๋ยเลย